ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พากันรู้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นการดี ถ้ารู้ข้อปฏิบัติแล้วไม่ทำแม้ว่าจะมีครูอาจารย์อยู่ด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดความประมาทขึ้นแล้วจะมีครูมีอาจารย์อยู่ด้วยก็ดีไม่มีก็ดีมันก็จเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ในชีวิต ก็บุคคลผู้ประมาทแล้วเดินเล่อเพอสติขาดการสัมรวมจิตใจขาดการนึกถึงทรรมถึงวินัยมันก็มีแต่ทางเสื่อมทางเจริญได้จ้ก ถ้าแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอุปชาอาจารย์แต่เป็นผู้ไม่ประมาทสำมรวมกายวาจาใจของตนอยู่ด้วยดีทําข้อวัดปฏิบัติอยู่ตามปกติมันก็ไม่ เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมมันก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่แก่การกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเป็นไปเองมันเป็นไปไม่ได้พระพรุธทธเจ้าตรัสว่า เจตนาหังบุญยังวดามิเจตนาหังป่าปังวรามิพระองค์เจ้าตัดว่าเจตนาดีนั่นแหลเป็นตัวบุญเจตนาไม่ดีนั่นแหละเป็นตัวบาปก็แสดงว่า บุญและบาปมันเกิดจากการดำลิการคิดนึกในใจแล้วใช้กายทาใช้วาจาพูดดังนั้นทุกคนต้องรู้จกักจิตตัวเองรู้จักควบคุมจิตตัวเองให้ได้ เพราะว่าบุญบาปมันเกิดที่จิตนี่ไม่ได้เกิดที่อื่นผู้ใดไม่ภาวนาะไม่เพ่งจิตเข้ามาภายในจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้บุญไม่รู้บาป ไม่รู้คุณรู้โทษตลอดถึงอริยสัจซี่ก็รู้ไม่ได้ดังนั้นก่อนอื่นให้พากันพยายามทำจิตให้สงบให้ได้อย่าเข้าใจว่าสมาธิน่ะ ไม่สำคัญเท่าปัญญาเข้าใจผิดตัวใดเข้าใจอย่างนั้นนะปัญญานั้นย่อมเกิดจากสมาธิไมายเอาปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางโลกนั้นมันย่อมเพ่งไปตาม เหตุการณ์ภายนอกรู้ไปตามเหตุการณ์ภายนอกปัญญาในทางธรรมรู้แต่ในออกไปนอกต้องรู้แจ้งในขันหานี้ตามเป็นจริงก่อนแล้วมันจึงรู้แจ้งสิ่งวัดแวดรอมขันหานี้อยู่ มองเห็นเป็นสภาวะอันเดียวกันธาตุภายนอกกับธาตุภายในอันเดียวกันต่างแต่ว่าธาตุภายในนี่มันมีอรูปธาตุซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาต้องรู้ด้วยใจ อรูปธาตุในแก่วีธนสญญาสัญญาสังขานวิญญาณนี้เป็นธาตุไม่มีรูปในสัมผัสทางใจดังนั้นนะผู้ที่ต้องการความสุขความเย็นใจเพราะมันกระตรง มาฝึก้นจิตนี่ให้มันสงบระงับเมื่อจิตสงบลงไปแล้วอะไรอะไรมันก็ไปกระทบกับจิตนั้นทําให้จิตรู้ได้อ๋ออันนี้อันนี้เป็นรูปมันก็รู้มันนี่ อันนี้เป็นนมามธรรมมันก็รู้ไปอย่างนั้นมันยังตาที่เราจ้องมองอยู่แต่ที่เดียวอย่างนี้นะมันก็รู้สิ่งที่มองเห็นนั้นชัดเจนเลยถ้ากรอกตาไปมา อยู่อย่างนี้รู้อะไรก็รู้ไม่ชัดเห็นอะไรก็เห็นไม่ชัดไปอย่างนั้นอย่างนั้นให้พากันควบคุมจิตดวงนี้ให้ได้ทั้งอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอน กินเดิมพูดจะทำการงานอะไรก็อย่าอย่าอย่าลืมจิตคือความรู้สึกต้องมีสติดลึกถึงอยู่เสมอต้องวควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอ เมื่อควบคุมได้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวนไหวมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้จิตนี้ถ้าไม่มีสติเรวเข้าปอคคองอยู่แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ตื่นเต้นไปทันทีวนหวนไว้ไปทันที ดังนั้น่ะคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์มันจึงได้ดิ้นรนไปเมื่อจิตใจดิ้นรนแล้วกายก็ดิ้นรนไปด้วยเป็พอย่างนั้นก็แสดงออก เช่นอย่างคนผู้ที่มีจิตใจมากไปด้วยราคะันหาดิ้นรนอยู่ด้วยความรักความใคร่อย่างแรงกล้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงขึ้นมามันดิ้นรนอย่างรุนแรงขึ้นม า, ม, นนน า, นน ม, ามันก็ไปแสวงหา สิ่งที่มันรักมันชอบใจนั้นทุกคนก็ยอมรู้ตัวได้เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องรู้ตัวว่านั่นตนกำลังเดินทางผิดกำลังเดินทางเข้าไปหาสู่ความทุกข์ เมื่อตนไม่ต้องการทุกข์แล้วก็ต้องควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้ก็จิตมีดวงเดียวถ้าตนเห็นว่าหวมคิดที่ประกอบไปด้วยราคะ ความกำนัดนดีนั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ก็อย่าคิดมันเสียเพราะจิตมีดวงเดียวก็ห้ามจิตให้ได้โดยการเพ่งการเพ่งการสะกดจิตไว้ให้มีอารมณ์อันเดียว ในความบิตกวิจารางต่างนี้มันจะระงับใจกับข้อการที่เพ่งนั่นนหะเพ่งรู้ไม่ใช่เพ่งเฉยเพ่งรู้จิตจิตรู้จิตเพ่งรู้อยู่อันเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปหลายอย่างในขนาดนั้นเราจะพิจารณายังไม่ได้ ให้เข้าใจมี อ, อาศัยการเพ่งสร้างสติให้แก่กล้าขึ้นสร้างความอดทนให้แก่กล้าขึ้นก่อนเมื่อสติความอดทนแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็บังคับตัวเองได้คือบังคับจิตนี้ได้จิตก็นิ่งอยู่ได้ ไม่เกิดกามวิตกพยาบาทวิตกวิ่งท้าวิตกอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้ขาให้ให้เข้าใจกันกลัวแต่ความยากลำบากอยู่อย่างเดียวแล้วพ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้ ให้นึกว่าผู้ตกเป็นทาดของเดีดตัญหานี่นะมันยังทำงานหนักกว่านี้อีกอลองคิดดูสิพวกที่ตกเป็นทาดแห่งตันหาอา้าหางานทำในประเทศไม่ได้ก็ต้องไปอ้อนวอนพ่อแม่ขายวัวขายควายหรือว่าขายนาะ หรือเอานาเอาบ้านไปจำนองเงินธนาคารมาอา้าให้แกนายหน้าเขาให้นายหน้าเขาจัดส่งไปางานทำเมืองนอกเอล่หนอนไปเมื่อไปถูกผู้ที่เขาใจเป็นบาปเขา ต้มเสียเขาลอยแพไปสู่เมืองนอกแล้วผมไม่มีใครมาต้อนรับไม่มีใครจัดงานจัดการให้ทำก็เลยเป็นคนจรจัดรเข้าประเทศเขาไม่มีไม่ถูกต้องตามระเบียบเขาก็จบับมีเส น, นกลบลีหนีเจ้าหน้าที่แสนทุกแสนยาก นั่นแหละบุคคลผู้ไม่ควบคุมจิตใจตัวเอง ก, ก็ตกเป็นทาสของปัญหาทาสแห่งความทุกข์ไปอย่างนั้นเนี้ยนั่น่ะมันยิงทุกข์ร้ายทุกขนัดเลยทีเดียวการที่บุคคลมาเอาทุกข์เป็นทุนลงนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิต ข่มจิตไห้มันเกิดอกุศลวิตกดังกล่าวานั้นนะ่ะแม้มันจะยากลำบากมันก็ไม่เหลือวิสัยเมืม่อหากว่าตนควบคุมจิตได้แล้วจิตอ่อนโยนอ่อนน้อมลงสู่ความสงบสู่ธรรมะมอันเป็นฝ่ายกุศล แล้วอย่างนี้มันก็มีความสุขสบายมีอิสระเสรีไม่ต้องตกเป็นทาสแห่งความยากอันนี้แหละให้พากันเข้าใจว่าชีวิตนี้นยต่างคนต่างก็ต้องการความสุขต้องการความสงบ เพราะความสงบเป็นชื่อแห่งความสุขจึงเด็ดดินลนแสวงหาความสุขกันคนส่วนมากแสวงหาความสุขไปถูกทางการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ภายนอกเมื่อได้มาแล้วนึกว่าตนจะมีความสุขความสบายที่ไหนได้เวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์กำพ้นทนแดดลำบากลากลากกรรมอะไรต่ออะไรทรัพั์ยิ่งสมัยทุกวันนี้นะคนก็ยิ่งมาก แม้จะเป็นกรรมกรก็ต้องถ้าไม่มีเส้นมีสายจริงๆนะไม่ได้ทำงานซ้ำเลยอย่าว่าจะจะเป็นข้าราชการงานเมืองเลยนายจ้างผู้เขาจ้างงานอย่างนี้เขาก็มีโคตา้าเขาก็รับจำนวนจำกัดผลงานก็ดี เมื่อเต็มแล้วเขาก็งวดรับบุคคลผู้ไม่เขาไม่เอาก็ตกงานก็ส่องสูงกันเป็นโจรไปเที่ยวหาปล้นหาจี้พอได้เงินได้ทองมาเลี้ยงอัตภาพนี้ดีไม่ดีเขาจับได้ไปติดคุกติดตาราง ยิ่งหมดอิสระภาพนี่นนีพูดถึงความทุกข์ของบุคคลผู้ที่ขี้เกียจฝึกขนอบรมตนนะมันย่อมมุนไปทางชั่วนั่นเมื่อหมุนไปทางชั่วแล้วมันก็มีทุกข์นั่นแหละเป็นผลไม่ไปไหนะ่ะ อย่างนั้นผู้ใดได้บวชเข้ามาแล้วบุญวาสนามีอย่างนี้แล้วก็ควรพากันตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีรักษาบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนหนนหลังนุ่นแล้วก็มาทำเอาในปัจจุบันนี้ รักษาไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมบุญกุศลในมันหายยากเอาจริงๆนะกว่าจะได้มาเพราะตัญหามันเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้คนแสวงหาบุญกุศล คนส่วนมากก็ยังตกเป็นทาสแห่งกัรหาแล้วไม่ได้ทำบุญเลยมีแต่หาเงินหาทองหาลาผายศกันอยู่พราะวันนั้นมแม้ว่าผู้ที่มีความรู้ในโลกทางโลกสูงจนเป็นด็อกเตอร์เป็นสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโท อะไรก็ตามมันก็มีแต่สแสวงหาแต่เงินแต่ทองหาแต่ลาบแต่ยศอยู่เพราะประเด็นไอทางบุญกุศลนี่อย่าไปนึกไม่เอื้อเพื่อแล้วเสียเวลาไปเปล่าเป่าเพราะชีวิตนี่ จะมีความสุขอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลแต่คนส่วนมากนั้นอาศัยบุญเก่าที่ตนทามาเทชาติก่อนดิ้นลนแสวงหาราบยศสนเสริญความสุขกายสบายใจหาได้หัวนึกดูไม่ว่าตนจะได้อาศัยบุญเก่านี่ไป นานสักเท่าใดไม่ได้นึกคิดแล้วโดยเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อนตอนมีเงินมีทองเข้าของมากมายแล้วตนก็มีความสุขมีเงินทองเข้าของมากแล้วจึงค่อยทำบุญนี่ แต่ทำบุญก็แค่ให้วัตถุสิ่งของเงินทองเป็นทานเท่านั้นเองเนี่ยทางศีลก็ไม่เอือเฟือไม่คิดว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าแต่ตนได้ทำทานแล้วก็นึกว่าตนได้ทำบุญตนได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้ว คนส่วนมากเป็นอย่างนี้นะดังนั้นจึงปรากฏว่าแล้วดูทอด อ, ออกพรรษาปรณามาบรรดาชาวผูดทั้งหลายก็ตื่นตาตื่นใจกันจัดงานกระทินงานผ้าป่างานทำบุญอื่นๆ ขึ้นแล้วก็ไปทําบุญไปทอดกระถิ่นทอดผ้าป่ากันไปถวายพระพุทธรูปที่ตั้งขึ้นบ้างหลายหลายอย่างต่อจากนั้นแล้วก็แล้วไปแหละไม่คำนึงถึงศีลเจอบาปก็ทําบาปไปเจอบุญก็ทําบุญไป ไม่ไม่คำนึงถึงสังขารร่างกายนี่ว่ามันอยู่ได้ด้วยอะไรมันจะแตกดับไปเพราะอะไรไม่คิดไม่พิจารณาผู้คิดผู้พิจารณาแล้วก็จะรู้ได้ว่าชีวิตคือธาตุสี่หรือขันธ์หน้านี่ มันอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอยู่ได้มีความสุขความสบายอยู่ได้เพราะตนได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนบุญนั่นมันมาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้บุคคลผู้ทุกขพ ล, ลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ได้รับทุกขเวทนามากกว่าสุขนั่นแสดงว่าคนนั้นมีบาป ติดตัวมาแต่ชาติก่อนมาเสวยวิบา ก, กรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ <c oughs> ถ้าผูใ้ใดคำหนึ่งได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเบื่อหน่ายในบาปในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล้มให้ตาย ผู้นั้นก็จะตั่ง จ, จิตจิตเจตนาวิรัตเรเห็นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทำร้ายร่างก า, ายเขาทำร้ายชีวิตเขาไม่เอาแล้วเว้นเขารู้ว่าบุคคลผู้มีทุกขเวทนากล้า มีโรคภัยค่เจ็บเบียดเบียนมากนี่มันกำเวนเกิดจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นสัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี้เองอก็จะต้องอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปหาอาหารมาเรียงอัถภาพวันนี้ก็หาโดยทาง สุจริตไม่ต้องไปรบ ก, กวนชีวิตของสัตว์อื่นเอาโดยปัญญานั่นแหละบุคคลผู้มีทรัพย์สินเงินทองมากกมีแต่คนมาหลอกลวงมาลักมาล่อซ่อโกงเอาไปเชนนีก้ก็คงจะนึกได้ ว่าแต่ชาติก่อนเราก็คงไปหลอกลวงช่อโกงเอาของคนอื่นเขามาเลี้ยงจีตเกิดมาชาตินี้กรรมนั้นก็ตามมาสนองเอามีเงินมีทองมาแล้วก็มีอันเป็นไปศูนยหน้คยไปตนก็ไม่เคยใช้จ่ายเท่าไรนะัก ผู้ใดนึกได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปท่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติปืนมาเป็นของตนไม่มีเจตนาเพราะว่า ก, กลัวกรรมเวนี้มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปผู้ใดมีผัวมีเมียมาแล้วก็ไม่ คิดคดกระบฏจากผัวจากเมียในทางประเวณีมีความจงรักภักดีต่อกันในทางนี้ไม่รู้อำนาจแก่ปัญหาความรักความใครเกินประมาณจนเป็นเหตุให้ไปเล่นผู้เล่นชู้จากผัวจากเมีย เพราะว่าการไปทำชู้กับผัวกับเมียคนอื่นเขาเมื่อเขารู้เขา้าเขาก็เป็นทุกข์เกิดร้อนผูกพยาบาทจองเวรตนถ้าได้โอกาสมันก็เบียนเบียนเอา คนตายโดยเรื่องหมดนี้มีเยอะแยะเลยไปทำชู้กับเมียเขาอได้โอกาสเขาว่าค่าตายอย่างนี้มีเยอะแยะเลยน่นและคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่สำรวมในศีลข้อนี้ชีวิตก็มีแต่ซสื้อม เหมือนข้างจันเหมือนพระจัน์ในข้างแรมการพูดโกหกผกรมพูดทำไม่จริงเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองเขามาเลี้ยงชีพก็ดีการกล่าวเออชาสอเสียดยุโยงให้ ผู้อื่นแตกร้าวสามคัคคีกันทะเลาะกันก็ดีการกล่าวคำหยาบคายด่าแช่งกันก็ดีการประพฤติเพอเจอเลี้ยวไหลการพูดไม่มีเหตุมีผลพูดตามอารมณ์ อันนั้นท่านเดียวพูดเพ้อเจอ้อรวมความเรีย ก, ยกว่าคำพูดสิบคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทั้งยากนี่ท่านเดียวพูดเพ้อเจอ้ออั น, น, นบุคคลคนศึกษาไม่สมควรพูดอย่าพูดต้องประหยกกัดวาจาไว้ให้ดี พ่อวาจานี่โบราณท่านว่าเป็นเอกเลขเป็นโทหนังถือเป็นตรีอาวุธใดในพิพบไม่ลบปากโอ้อยทานหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากกวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แค้นคลาย จนตายก็เพราะพูดเน็บให้เจ็บใจอาวุธใดในผีพบไม่ลบปากแน่นได้ยากก็เพราะปากพูดไม่ดีถ้าพูดดีก็เป็นศีรัะมีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิต ถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรเพราะพูดผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้วาจาเป็นสิ่งสำคัญมากวาจานี่ถ้าพูดไม่ถูกต้องตามเทตามกาลเทศะตามบุคคล บางทีถึงกับวาจาตัวเองนั่นแหละฆ่าตัวเองตายมีอยู่เยอะแยะเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่อย่าไปล่าเลยคำพูดประจาต้องมีสติกำกับอยู่เสมอ จะพูดอะไรจะอะไรก็ดีต้องกำกับคำพูดของตนให้มันตรงไปตามศีลตามธรรมอย่าให้มันออกนอกศีล น, นอกธรรมแล้วตนก็จะได้มีความสุขความเจริญ ราศจากศัตรูศัตรูไม่ไม่มีคนจะมีศัตรูมา ก, กเพราะคำพูดนี้แหละตรงพิจารณามันเห็นแล้วก็ผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าทำให้คนเป็นเป็นคนปากคือคนพูดไม่ดีนะ ขูดซอเสียดขูดคำหยาบยต่างๆนานาเป็นคนลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัดมีปากเหม็นพูดอะไรกับใครส่งกินเหม็นพุ่งของพะสมุกเอาไปใส่จมูกของคนอื่นนู่น คนพูดเป็นคู่สนนนาก็ได้เบือนหน้านี้นั่นเดีย ว, ว่าคนไม่สำรวมปากของตัวเองดังนั้นโบราณท่านจึงว่าปากผมเป็นเอกถ้าพูดดีก็เป็นสีสักมีคนรักรส ถ, ถ้อยอร่อยจิตดังที่ว่ามาแล้วนั่นนะ ถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาโอ้ยตานหวานลินแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเด็บไปเจ็บใจ บุคคลใดชอบพูดเน็บแยมผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนั่นน่ะไม่ดีแท้ๆสร้างครรมสร้างเวนใส่ตัวเองดังนั้นน่ะเราจะพูดจะจาอะไรต้องนึกเสียก่อนเมื่อเห็นว่ามันไม่สมควรมันจะมานำมาซึ่งกรรมซึ่งเวนอย่างนี้แล้วก็ ต้องมดลวไม่พูดมันเลยอย่าไปคิดอยากคนอื่นอย่าไปคิดอยากให้คนอื่นดีกลัวตัวเองในเมื่อตนเองก็ยังไม่ดีพอแล้วมันเห็นคนอื่นทาไม่ดีอยากให้เขาดีหลายแล้วเราไปพูด ว่ากล่าวเขาโดยอำนาจของกิเลสด้วยความไม่พอใจต่างๆนั้นนาคล้ายๆกับว่าใช้อำนาจให้เขาหวากลัวตนให้เขายอมละคมชั่วอันนั้นแต่เช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยดังนั้นการที่บุคคลเราจะ ว่ากล่าวคนอื่นสอนคนอื่นนี่ก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าตนพอจะสอนเขาได้หรือไม่เมื่อตนเตือนไปสอนไปเขาจะฟังหรือเขาจะเอาตามไหมถ้ารู้ว่าตนพูดไปเตือนไปในเขาจะไม่ทำตาม เขาไม่เคารพเราเขาไม่เชื่อเราถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ไม่พูดเลยพูดใจ่จะทำดีทำชัว่วอย่างไรก็ <c oughs> ตามถ้าพิจารณาเห็นว่าเออคนนี้เคารพนับถือเราถ้าเราสอนเราเตือนเขานี่เขาจะเชื่อเขาจะทำตามเขาจะพอใจ อย่างนี้เราจรึงค่อยว่ากล่าวตักเตือนคนนั้นในการพูดความจริงหรือพูดดีนี่ถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกกบุคคลเช่นนี้มันก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลดีกลับจะได้ผลร้ายอีกซ้ำ เปานเป็นอย่างนั้นเรื่องมนะันเพราะฉะนั้นให้พากันนึกถึงกรรมของสัตว์นั่นแหละมันจึงยับยั้งใจได้ผู้ใดทำชั่วพูดชั่วไยไม่สำรวมตนเช่นนั่นก็เป็นกรรมของเขา เขาไม่เคยสำรวมตนมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก่อนนิสัยเก่ามันก็ติดมาชอบพูดจาละลานคนอื่นกระทบกระทั่งคนอื่นอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่เป็นคนดีฝึกตนมาแล้ว ดูจากห้ามจิตของตนให้ได้มันก็ดีสิใครพูดกระทบกระทั่งมาล้วก็ห้ามจิตสํารวมจิตของตนไว้ภายในอย่าไปรับรู้เอาคำกระทบกระทั่งจากคนอืน่นอย่างนี้แล้วตนก็เป็นคนดีเท่านั้นแหละคนอื่นชั่วสร้างหัวใคร อย่างนี้แล้วเราก็อยู่กันได้โดยสันติสุขผู้ใดชั่วเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนแล้วหากว่ามันจะเป็นคนดีต่อไปได้มันก็รู้สึกตัวเองอ เมื่อรู้สึกตัวได้ก็สำรวมทนไปได้ไม่ต้องมีใครไปตัเกเตือนว่ากล่าวคนดีเนี่ยฟังธรรมคำสอนที่เจ้าที่ท่านอธิบายที่แจ่งให้ฟังแล้วก็ตื่นตัวเนื้อก็สำรวมทนไปได้ถ้าคนนิสัยไม่ดีจริงเป็นบัวใต้น้ำ พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้อย่างนั้นพระ อ, องค์ก็ปล่อยตามยถากรรมไปแต่มันสเสวยทุกขเวทนาของการกระทำของตัวเองไปเสียก่อนนานไปมันได้ครบกํานักปราดญบัณฑิตเข้าไปรู้ตัวเมื่อใด มันก็ละความชั่วมันก็สำมรวมตนเมื่อนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นไปนี่แหละบุคคลผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่มันจะเขี้ยวเข็นยังไงยังไงมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปสกร่อนเมื่ออินทรีย์มันเกกล้าขึ้นไปมันก็ค่อยรู้ตัวไป ยังก็เป็นอย่างนี้นะคนเรานะี่ะแบบน้ําไหลไม่ทันกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันก็ต้องผ่อนผันหากันอถ้าไม่ไม่ทําผิดอย่างร้ายแรงก็อาโหสิกรรมในกันไปถ้ามันทำผิดร้ายแรงมันผิดทวีนจิงจริงอย่างนี้ก็จําเป็นนะ่ะต้องได วินิ้ใช้กันาผิดจริงก็ต้องลงโทษกันไปตามโทษหนักโทษเบาถ้าไม่ผิดวินยัยผิดแต่ธรรมะเท่านั้นก็อา้าวอารมณ์อรวยกันไปในโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แหละ แบบน้าไหลไม่ทันกันดังว่ามาแล้วนั้นบางคนก็ทําความดีมาแต่ก่อนนั้นมากมาชาตินี้ก็ตั้งตัวได้ดีทําความดีให้เจริญได้มากแต่บางคนก็ทําความดีมาแต่ก่อนน้อยเกิดมาชาตินี้ความ สามารถในการจะทำความดีให้ทุงขึ้นไปไม่มีเพราะกำลังบุญเก่ามันน้อยเมื่อบุคคลรับประทานอาหารไม่อิ่มนี่เนะี่ะแล้วาอาหารแต่น้อยอย่างนี้กำลังมันก็น้อยทำงานก็ไม่ได้มากเอยก็หิวอ่ ผู้ไดรับประทานอาหารอิ่มน้ำซ้ำลานแล้วอย่างนี้การทำงานมันก็แข็งแรงดีทำได้มากฉันใดก็อย่างนั้นเลยคนผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนได้ทำความดีมามากบุญกุศลบา ร, รมีนั่น นำมาเกิดในชาตินี้ก็เป็นผู้ชอบความดีสนใจอยากจะทำความดีให้สูงขึ้นไปเบื่อนายทุกข์ในวัตาสงสารอันนี้นี่ธรรมดาคนมีบุญมากสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเรื่อ ม, มาในปัจจุบันนี้ก็มาสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีก ก็ทำให้เกิดความคิดนึกความรู้สึกต่อโลกอันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอะไรเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจิงิ้งๆพราะอาศัยอยู่ในสภาพของไม่เที่ยงและทั้งเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง ไอ้ผู้มีบุญวาทนาบารมีแก่กล้ามันก็รู้มันก็เห็นของจริงไปอย่างนี้แหละรู้ความจริงของโลกนี้นะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประนีตมันก็สามารถอย่างปัญญาลงไปในธาตตีกันหานี่ เห็นได้ชัดตามเป็นจริงเมื่อเห็นขนัน้านี่ได้ชัดตามเป็นจริงแล้วมันก็ยอมเห็นสิ่งแวดลอ้อมขัน่าอันนี้อยู่ภายนอกเหมือนกันมีสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันมีเกิดขึ้นแล้วเป็นเบื้องต้นก็แปลผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุด มีเท่านี้นะโลกอ น, นี้นะความจริงมันนะแะนั้นเราจะไปหลงกันหลงทําไมหลงธรรมชาติทําไมก็มองเห็นด้วยตาอยู่แท้แท้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยตาตาหนังนี่นะมองเห็นอยู่แท้แททุกสิ่งทุกอย่างเากิดมาแล้วก็แปรพวนแตกดับไป สังแต่เร็วรละช้าก็การเท่านั้นแหละบางอย่างก็เกิดเร็วดับเร็วบางอย่างเกิดมาแล้วก็นานหน่อยกว่าจะแตกดับไปแต่มันก็ไม่ทนต่อความแตกดับดอกม่นจะอยู่นานไปก็ไม่พน้นเหมือนอย่างอายุของคนแม่จะอายุยืนยาวไป ตั้งร้อยปีอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากความแก่ความตายหรือจะอยู่ไปพันปีหมื่นปีแสนปีเมื่ออยู่ไปหมดบุญวาสนานั้นลงไปแล้วก็ตายนี่แล้วมันจะมีอะไรล่ะยั่งยืนลโลกอันี้ถ้าหากว่าไม่ตายแล้วคน พวกที่มีอายุยืนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่ก่อนนั้นนะ่ะเหมือนก็คงจะยังเหลือมาให้เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้แหละ ว, วะอันนี้ก็มีแต่ชื่อเท่านั้นปรากฏอยู่ไอ้คนเหล่านั้นตายไปหมดแล้วเนีแล้วที่ว่าบางยุคบางสมัยโลกจเจริญมากอะไรอะไรก็จเจริญรุ่งเรือง ไม่อดไม่อยากอะไรมาถึงบัดนี้มันไปในเสียแล้วไอความเจริญของโลกที่ว่านั้นนี่ทองพี่นาดูกลก้างๆเราก็รู้ได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นความจริงแ ท, ท้คือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกสันิว่านอันนี้ ล้วนแต่ไม่เทียงแค่แน่นอนมันก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แหละผู้ที่มีบุญวัฒนะบา ร, รมีแก่กล้าพอท้งควรแล้วมันก็นยอมมองเห็นโลกภายนอกโลกภายในได้แจ่มแจ้งเลย โรคภายในได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นโรคโรคหนึ่งเป็นที่อาศัยของดวงจิตโรคโภายนอกกระเด็จแก่นอกกายนี้ออกไปเช่นแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าน้ำดินน้ำลมไฟต่างๆมูนี้นี่เรียกว่าโรคภายนอก โลกต่างๆโมนี่มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแจกดับไปไอดวงหิตที่มาใส่โลกอันไม่เที่ยงนี่อยู่มันถึงเป็นทุกข์เมื่อพี่นาไปกงก่วงแล้วก็สรูปลงมาให้ได้ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่ พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกก็ดีพระอารหันตาสาสกคทั้งหลายท่านก็ไม่ได้สร้างบารมีปาณานาให้บรรลุถึงพรนิพพานแล้วก็เพราะการอยู่ในโลกนี้มันหาความสุขได้ยากสุขก็สุขทั่วคราวหนึ่งเลวหน่อยหนึ่งก็มีทุกข์มาครอบงมเอา ก็เดือดร้อนไปในนี้แหละความจริงใครๆก็อยากอ ย, กอยู่ในโลกนี้แหละไม่อยากตายจากภาจจากโรคทุกข์สันอันนี้ไปคนมีเงินมีทองมากๆยิ่งไม่อยากจากโรคนี้ไปก็มีค น, ม, นมีเงินมีทองมากมาสร้างความสุขความสบาย ความสะดวกให้แกต้นได้มากเลยอาคารบ้านท่องก็ใหญ่หรูห้าเครื่องประดับประดาอะไรทอะไรก็มากมายรถลาก็มีแต่คันดีๆราคาแพงๆนุ่นไปไหนมาไหนก็ไม่ลำบากนั่งแต่รถแต่ลาไปแล้วอย่างนี้เนะี่ยมันจิต อยากให้คนหนีจากโรคนี่ยังไงแล้วพอสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มีมากมายแต่แล้วมันก็จำใจต้องหนีต้องจากม่ว่าคนนั้นจะมีความสุขอย่างไรก็สุขไปได้ชั่วอายุหนึ่งเท่านั้นเองไม่ทันถึงอายุสาหรอกเมื่อความแก่ชราครอบงมเข้ามา แล้วไอ้บ้านช่องอาคารสัทขาห้าอันสวยสดค้นงามเหล่านั้นผูกเบาะหมอกม้อนอ่อนนุ่มนิ่มอะไรวะนั้นเขานอนไม่สบายเลยเมื่อชลาพยาธิมันบีบขั้นเข้ามาแล้วอาหารที่เคยรับประทานอร่อยมาแต่ก่อนก็จืดชืดไปแล้ว อย่างนี้แล้วความสุขในโลกนี่มันช <uh ั่วคราวดะนั้นอย่าประมาทคนพิจารณาดูเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในความเป็นอยู่ในโลกนี้ออกไปได้ก็น้อมจิตไปในพระนิพพาน ยินดีชื่นชมต่อพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ทรงแนะนำสังสอนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ดับขันเข้าสู่พรนิพพานแล้วพระองค์ก็คงจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มาก็มันอยู่ไม่ได้กฎธรรมดามันบังคับเอา่ แม้จะมีบุญมากสักเท่าไรอยู่ไปอยู่ไปมันก็หมดเป็นนะบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันมีขอบเขตจํากัดนี่อย่างนั้นจะอยากอยู่ในโลกนี้สักเท่าไรก็อยู่ไม่ได้จําเป็นต้องจากโลกนี้ไปเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็พยายามสอนตนอย่าให้ห่วงโลกนี้ข้อสำคัญนะใช้ปัญญาสอนตนเข้าไปเพราะว่าใจนี่มันยึดถือโลกนี้อยู่แล้วแน่นอนแหละเกิดมานะโรคคือร่างกายสังขาร น, นี่เองนี่ยมันไม่อยากตายอยากจากภาคไป ดังนั้นเราจึงต้องภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วก็สอนจิตให้มันเห็นโทษของการอาศัยอยู่ในโลกนี่มันไม่เที่ยงไม่อย่งยืนอะไรเลยนอกจากไม่เที่ยงเราก็ยังเป็นทุกข์ทนในยากลาบากด้วยแล้วทั้งที่สะสมอะไรต่ออะไรไว้ในโลกนี่แล้ว จะไปห่วงว่าเป็นของต น, นห่วงได้ยังไงอ่ะมัจจุราชความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งมาในโลกนี้ไม่เห็นมีใครเอาติดตามไปได้เลยดังนั้นคอยได้ผากันภาวนาควบคุมจิตใจให้ส ง, งบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาดูโลก ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหาบทั้งละเอียดทั้งประณีตให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยเหตุผลดังแสดงให้ฟังมานี้อันนี้แหละเป็นทางค้นจากทุกข์ภัยในวัฏฏสงสารโดยแท้จริง ดังสแสดงมา